ว่างานกันมาตั้งแต่เชา้าเพิ่เสร็จเสร็จขึจ้นอนก็ลงน้ำลงน้ำเสร็จก็มาเจอใครดักหน้ากระดาษซะอีกดักหน้ากันะดก็มาถึงห้องก็มีเรื่องเยอะก็แดงก็ต้องเดินมาสอนเลยวันนี้เอากันแบบสดสด วันนี้ต้องใช้กรนสด้วนั่นที่จริงสดมันก็คงดีกว่าแห้งนะหรื <c ười> วอว่าใครชอบน้ำเวสต์เดียวใครชอบแห้งคนจริงแห้งคงอร่อยกว่าอร่อยกว่าสดและอร่อยกว่าน้ําอย่างไรก็ตามก็ได้มาเยืน อ, อยู่ที่นี่อีก แล้วก็วันนี้ก็มาถึงเลดเก้าแล้ว <c oughs> แสดงว่าเราเดินทางมาค่อนทางแล้วการเดินทางมาค่อนทางนี้ถือว่าเราสําเร็จแสดงถึงความสําเร็จแต่เมื่อวานนี้มีอาการไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนั่งส ม, มาธิ รู้สึกว่ากระผมก็ปป๋มกันหน่อยคิดว่าวันนี้ก็คงจะดีเพิ่มขึ้นเพราะเวลาที่เราเรียนทางทฤษฎีไปแล้ว <c oughs> และเราไปปฏิบัติมันเป็นการถูกต้องที่ว่าเป็นการถูกต้องกบเพราะว่าเมื่อเรารู้ เราเรียนแล้วเราก็ได้รู้เข้าไปด้วยเพราะความรู้อันนี้ไม่มีใครหยิบยื่นให้ได้ในการปฏิบัตินั้นเนื่องจากจิตใจนี่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นมาเองในของแต่และบุคคลเป็นเดียวกันกับการรับประทานอาหารการรับประทานอาหาร ก็ทางคนก็ต้องสั่งรับประทานไทยจะรับประทานแทนกันไม่ได้นั่นคือภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีก็แล่งกันได้ทำกับข้าวอย่างนั้นทำกับข้าวอย่างนี้แกงกะหรี่แกงสระเทียหรือว่าต้มยำน้ำพริกปลาผักบุ่งสด เพราะว่ากันไปอั น, นั้นคือพระทฤษฎีเราภาพปฏิบัติก็ลงมือแหละพอลงมือรสชาติมันก็ออ ก, กมาอันไหนจะเผ็ดอันไหนจะเปรี้ยวเมื่อเราเรียนทฤษฎีไปแล้วเราจะทําน้าพริกปลาก็ไม่ว่ากันใครจะแกงสระมันก็ไม่ว่ากันใครจะต้มยาแกงเรียงก็ไม่ว่ากันเมื่อเวลารับประทาน รสเปรี้ยวหวานมันเค็มต่างๆเราจะเป็นผู้สัมผัสในภาคทฤษฎีนั้นสัมผัสไม่ได้พอมาภาคปฏิบัติเกิดสัมผัสได้เมื่อเราไปนั่งสมาธิเราก็จะเกิดสัมผัสขึ้นการสัมผัสที่เราได้สัมผัสนั้นอาจจะสัมผัสได้ ความสบายบ้างอาจจะสัมผัส ด, ด้วยความเจ็บปวดเมื่อยบ้างอาจจะสัมผัส ด, ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกอย่างนั้นคือประโยชน์บางคนมาคิดว่านั่งปวดขาเปล่าๆมันไม่เปล่าาบางคนบอกว่านั่งสมาธิไม่เห็นได้อะไรก็เหมือนกับคนรับประทานอาหารน่ะรับประทานเสร็จแล้วเขบอกเขาไม่เห็นได้อะไร แต่แท้จริงมันก็ได้ทั้งวิตามินโปรโตีนที่จะเข้าไปเลี้ยงร่างกายชทนเดียวกันกับการ น, นั่งสมาธิบางครั้งเมื่อมันไม่ได้อะไรแต่นั่นแหละมันก็คือได้ทำไมที่บออว่าได้เชนยกตัวอย่างเราเจ็บขาเราปวดขาแต่ก่อนเนี่ยเราคิดถึงบ้าน เราคิดถึงอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสหรือจะคิดไปไหนมันกี่กี่ร้อยไมย่กี่พันไม่นับเป็นจํานวนหมื่นไม่หรือนับเป็นจํานวนพันกิโลหรือนับร้อยกิโลนับที่กิโลที่จิตของเราได้ออกไปแต่พอเวลามันเจ็บขาเข้ามาเนี่ยมันไม่คิดถึงนวดแล้วมันคิดได้เพียงแค่คือ่งเดียว แสดงว่าเราย่นจิตของเรามาถึงหนึ่งกิโลไอคนที่กําลังเจ็บขาคนที่กําลังปวดโน่นปวดนี่จิตจะไม่ไปที่อื่นนะมันขีดที่ถ้าปวดหัวเขา่าก็จะตงรงหัวเขาถ้าปวดคอมันจะตรงคอมแล้วจากคอมาหัวใจแล้วจากหัวเขามาหัวใจมันกี่กิโลยังไม่ถึงหนึ่งกุศ อย่างมากก็แค่นิ้วเดียวในขณะที่เราย่อนจิตของเราเนี่ยจากร้อยไมพันไมมาเหลือเพียงหนึ่งนิ้วมันจะไม่ได้ประโยชน์ตรงไหนนะั่นคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าอการทําสมาธิน่นะคือการอย่อการย่อจิตของเรา เรายอ่อจิตของเราได้มากเท่าไหร่นั่นคือผลผลที่เรียกว่าเป็นสมาธิวันนีมาคิดว่าเจ็บขาเห็นได้อะไรหลวงพ่อ เ, เคยพูดว่บอกว่าหลวงพ่อครับผมนั่งจะเจ็บขามาสามวันแล้วเห็น ไ, ได้อะไรหลวงพ่อก็บอกให้นั่งตั้งเจ้ามองที่เจ็บขาตั้งเจ้ามองเห็น ไ, ได้อะไร ถ้าท่านก็พูดอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็แกลองคิดสิตอนแกไม่เจ็บขาแนละ้แกคิดสี่กิโลเมตรแล้วแกคิดถึงใครบ้างสารพัดแต่พอเจ็บขาแล้วแกคิดไม่ไหวหลวงพ่อก็เลยเอาคำนั่นมาพูดแล้วก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอในการทําต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าอุบายหรือเธอจะเรียกว่า เราต้องมีวิธีและเราต้องเข้าใจเข้าใจในการกระทำที่เรากระทำอยู่เนื่องจากว่าการทำสมาธินั้นนั่นเป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องที่ได้ผลเป็นเรื่องที่เกิดผลทุกครั้งที่เราทำเพราะฉะนั้นว่าคนนอนไม่หลับก็บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับมันก็ขี้เกียจเนี่ยนอนไม่หลับช่างเกิจะนอน นอนแล้วชั้นก็จะนอนอยู่เนี่ยนอนชั้นก็จะนอนน้องก็นอนไม่หลับเมื่อหลับแต่ตาทํางในไม่หลับเมื่อข้างในมันไม่หลับมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลใงการนอนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันนอนไม่หลับจริงไหมจริงรู้ขึ้นนั่งเลยให้มันรู้เพเยซิว่ามันนอนไม่หลับมันจะไม่หลับยังไงนั่งมันไปจนเอ้าในที่สุดมันก็ต้องยอมแพ้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเพิ่มมาพูดกันถึงเรื่องการเพิ่มสมาธิความจริงการเพิ่มสมาธินั้นเป็นความเป็นไปตามอัตโนมัติด้วยเหตุคือการดําเนินการให้เป็นไปตามปกติคือการเพิ่มสมาธินั้นน่ะไม่ใช่เราจะไปกระเตื้อร้อนจนกระทั่งสร้างภาพอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมด พยายามที่จะไม่พูดพยายามที่จะเกรงอันนั้นมันเป็นการสร้างภาพหรือเรียกว่าเป็นความกดดันถ้าสร้างภาพหรือกดดันนั่นน่ะมันไม่เป็นสมาธิเป็นสมาธิเหมือนกันบังทีแต่ว่ามันเป็นสมาธิที่ไม่ได้รับผลอะไรเนื่องจากใช้ความกดดันและใช้การสร้างภาพ ดังนั้นการที่เราจะเพิ่มร่างกายของเราเนี่ยให้มีความใหญ่โตและมีความแข็งแรงและมีกำลังเนี่ยเราก็รับประทานอาหารอย่างปกติเราเคยรับประทานอาหารมือไหนเราก็รับมือนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างภาพเอาขนมข้าต้มมาตั้งเสร็จแล้วก็พยายามเขียนตัวให้อ้วนให้ใหญ่ สร้างภาพขึ้นมาสารพัดอย่างนี้เป็นตน้นการสร้างภาพนั้นมันไม่ได้ผลเราทำสมาธิก็เหมือนรับประทานอาหารการเพิ่มสมาธิก็เหมือนเรารับประทานอาหารทุกวันอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> แต่การรับประทานอาหารทุกวันนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นความมันใหญ่โตหรือความแข็งแรงของร่างกายนั้นมันไม่ได้ มามีปฏิกิริยาหรือว่าไม่ได้ที่จะมีอะไรก็ตอบอะไรต่างๆก็เปล่าแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ที่เราจะรับประทานอาหารเท่านั้นธรรมดาของการทำงานเพื่อความสำเร็จการเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อมีการเพิ่มผลผลิตได้ตามต้องการแล้ว การจะดาเนินไปสู่เป้าหมายก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้วิธีการเพิ่มผลผลิตเป็นงานสำคัญของกิจการทั้งหลายตลอดถึงเศรษฐกิจทั้งหลายก็จำเป็นต้องมีการเพิ่มผลผลิตจึงจะเป็นการเป็นงานดังนั้นจึงต้องใช้นโยบายความรอบคอบตลอดถึงเข้าใจต่อสถานการณ์โดยส่วนรวมการตั้งประเทศจึงจะเจริญ การตั้งโครงการจริงจะเจริญการตั้งบริษัทจริงจะเจริญการตั้งโรงงานจริงจะเจริญการตั้งสถาบันจริงจะเจริญการตั้งร้านค้าจริงเจริญการเผยแพร่ศาสนาจริงจะเจริญสุดท้ายครอบครัวจริงจะเจริญการที่จะเจริญได้ในทุกงานต้องใช้นักวิชาการนักประสบการนักธุรการร่วมวางแผนให้ถึงทิ้ง หมายความว่าให้ถึงที่มีวิชาเท่าไหร่ก็เอามาใช้จึงจะได้ข้อมูลออกมาปฏิบัติเพิ่มผลผลิตให้บรรลุเป้าหมายข้อนี้ก็เขียนเอาไว้เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบว่าการที่เราต้องการอยากจะให้เราเกิดสมาธิแต่การทำสมาธิก็ต้องมีกุสโลบาย นีใช่ธรรมดาที่จะทำให้มีการเพิ่มผลผิดของสมาธิก็ต้องมียุท ธ, ธวิธีที่ทาชาญฉลาดจึงจะมีโอกาสบรรลุปเป้าหมายเพราะสมาธิเป็นโครงการของการหาสมบัติของใจสร้างความคุ้มครองให้ใจของเราได้รับในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ควรการเพิ่มพูนจึงเป็นความจำเป็นของชีวิต ราคาของชีวิตนั้นสูงมากเพราะการมีชีวิตแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอาจจะสูงได้คงเส้นคงวาก็ต้องเพิ่มปูนสมาธิให้แก่ใจของเราให้มากที่สุดอันนี้ว่าถึงว่าค่าของชีวิตเพราะการมีชีวิตแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีความหมายต่อเราเป็นอย่างยิ่งความหมายก็คือ ความพร้อมทั้งกายและทั้งใจจึงจะมีความสุขเรามีความพร้อมแต่กายอย่างเดียวใจไม่สบายใช้ไม่ได้มีความพร้อมแต่ใจอย่างเดียวกายไม่สมบูรณ์ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นการเพิ่มพูนสมาธิเราจึงประมาดไม่ได้ช่องทางต่างๆย่อมมีให้แก่เราและเราก็จําเป็นต้องใช้นโยบายต่างๆ เช่นกันอากับเขาพยายามเพิ่มผลผลิตซึ่งแต่และสิ่งแต่และอย่างนั้นต้องใช้ความพยายามเหลือหลายแม่สมาธิก็ต้องการความพยายามในการเพิ่มเพราะการเพิ่มสมาธินั้นคือความภาคเพียรพยายามโดยที่ใช้ศรัท ธ, ธาให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองอย่าให้ศรัท ธ, ธาตัวนี้มีอันเป็นไปคือถอยไป ทางใดที่จะเพิ่มศรัทธาให้มากนั้นคือเป็นวิธีที่เพิ่มผลผลิตที่ดีมีหลักการดังต่อไปนี้ <c oughs> อ่าข้อที่หนึ่งอ่าคือศรัทธาศรัทธาความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลเพราะว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะตึงรู้เองว่าจะสุขหรือจะทุกข์ เหมือนกับผู้รับประทานอาหารจะรู้ว่ารสอร่อยหรือไม่อร่อยศรัทธาเชื่อมั่นมีอยู่สามประการคือขอเชื่อผู้สอนขอเชื่อตนเองขอเชื่อหลักการอันนี้เป็นชีตขอเชื่อผู้สอนหมายถึงการเชื่อ ว่าผู้สอนมีความสามารถแนะนำในเรื่องสมาธิได้พร้อมทั้งศักยภาพของการสอนใีการแนะนำในทางเป็นไปได้ยกข้อเปรียบเทียบให้เกิดความชัดเจนแน่นอนอันนี้ข้อขอเชื่อตนเองหมายความว่าตัวเราคือผู้หนึ่งที่มีความพร้อมมั่นใจว่าสมาธิทั้งหลายเป็นวิสัยที่ทำได้ มีความเข้าใจถึงภูมิทัณนเพราะว่าสมาธิไม่ใช่เป็นการเกินวิไสยในการสําเร็จได้อันนี้คือข้อความที่เชื่อตอนเองคำว่าเชื่อตอนเองนั้นเราต้องรู้อย่างที่หลวงพ่อบอกกราบที่ทําให้ว่าอันนี้คือสมาธิชันต่ําอันนี้คือสมาธิชั้นสูงอันนี้คือจุดพลังอำนาจ อันนี้คือปฐมฌานอันนี้คือสมาธิเติอันนี้คือสมาธินนาธลึกนี่เราได้ศึกษามาการศึกษาที่เราได้ศึกษามาทั้งหมดนั่นนั่นคือเพื่อให้เชื่อตนเองว่าเวลานี้เราได้ทำอยู่ตรงไหนอย่างนี้ข้อ <c> ค <oughs> ้อเชื่อในหลักการที่ว่ามีเหตุผลมีเป้าหมายมีส่วนแห่งความเป็นไปได้ ไม่ใช่สิ่งที่โกหกเพรเอาแต่ลมมีศักยาภาพต่อความจริงข้อ น, นี้จะเข้าใจว่าเมื่อเวลาเรานั่งสมาธิผลออกมาอย่างไรมีความเป็นไปได้ที่เราได้พบแล้วอย่างนี้เป็นต้นม่นถึงจะมีการเชื่อว่าหลักการว่าหลักการอันนี้เขาว่าสมาธิตื่นหลักการนี้เรื่องสมาธิเลึกหลักการนนี้การเดินจงกรม หลักการอนี้คือการอนั่งสมาธิหลักการอันนี้คือฌ า, า, า, านหลักการอันนี้คือจุดพลังอํานาจอันนี้คือหลักการดังนั้นเรีว่าเชื่อในหลักการข้อที่สองอวิริยะวิริยะความเพียรมีความองอาจกล้าหาญที่จะต้องกําจัดความเกียดข้านออกไปยืนหยัดต่ออุดมการณ หมายความว่าวิริยะเป็นความเพียรหมายถึงความพยายามในเมื่อรพบของดีจริงมีผลทําให้เกิดมีสิ่งที่มีความเป็นจริงแห่งความสงบเกิดพลังจิตความที่จะกระทําอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดยัง้งใช้การต่อสู้แบบถวายชีวิตเพื่องานนี้อันเป็นจุดสําคัญ ดำเนินการไปจนถึงความสําเร็จอันนี้คือความเพียร <c oughs> เพราะว่าความเพียร น, นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทําต่อไปอย่างต่อเนื่องข้อที่สามคือสติเป็นความระลึกเป็นความรู้สึกอยู่เสมอในกิจกรรมของตอนที่กําลังดําเนินการไม่ลืมหรือแกล้งลืมจะไม่ลืมหรือแกล้งลืม ทีนี้ก็มาถึงอสติสตินั้นน่ะแปลว่าระลึกการระลึกนั่นคือระลึกได้หมายความว่าเราต้องไม่ลืมหรือว่าแกลงลืมบางทีเกิดนยกว่าไม่เป็นไรเราแกล้งไปใช่หนไอยก็ได้ว่างั้นอ่าทีนี้สตินั้นหมายถึงผู้รู้เจหลวงพ่อบอกว่าใครคือผู้รู้ นั่นคือการตามหาสติตามหาจิตจิตกับสติจะอยู่กล้ๆกันเพราะฉะนั้นมีความระลึกในสมาธิอย่างนี้อย่างไม่มีการลืมมีการท่องบนจดจำทำความเข้าใจมีการตั้งมั่นด้วยความระลึกประกอบกับผู้รู้ตัวที่เหมือนอยู่ข้างหลังของเราคอยจดจ้องตัดเตือนส ก, กิให้อยู่ในวิถีทาง ที่กำลังดาเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่พูดมานี้ทั้งหมดนะขอให้เข้าใจอย่างนี้ว่าในฐานะที่เราพยายามที่จะทำให้แก่ตัวเราเองด้วยและในฐานะที่เราจะต้องแนะนำสั่งสอนผู้อื่นด้วยการแนะนำสั่งสอนผู้อื่นนั่นมันจำเป็นต้องมีหลักการแสดง อย่างรลวงข้อแสดงอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ก็ ค, คือว่าอธิบายไปตามหลักการไม่ใช่เดาเพราะฉะนั้นจึงต้องมีข้อให้รู้ว่าการเพิ่มสมาธิเนี่ยเนี่ยคือข้อข้อเหล่านี้คือข้อที่เพิ่มสมาธิเป็นหลักการที่จะทำในการเพิ่มสมาธิได้ทีนี้ามาถึงข้อที่สี่สมาธ แต่เมื่อมันถึงข้อที่สีก็คือข้อที่เรียกว่าเป็นตัวจริงข้อที่เรียกว่าเป็นตัวจริงนั้นหมายความถึงความสงบเป้าเป้าหมายที่จะต้องทราบว่าเราได้สมาธิขนาดไหนได้มากเท่าไหร่เราจะต้องทราบคือว่าพลังจิตเนี่ยเราทำทุกครั้งมันได้ทุกครั้งไม่ได้ทุกครั้งเนี่ย มันจะต้องแสดงอาการอย่างไรอย่างหนี่ให้เราได้ทราบว่าเราได้เกิดพลังจิตแล้วเพราะว่าพลังจิตอันนี้นั้นดูไม่ยากเราสังเกตจากเมื่อเวลาที่เราจะไปพูดเขียนกับใครอย่างนี้ออาแต่คนนั้นมันก็จะเขียนหรือรับก็จะต่างคนต่างก็จะต้องเขียนกัน ใครคนไหนกำลังใจอ่อนกว่าเลิกสูวไม่ไหวอันนี้เราจะเห็นได้อย่างเวลาวิ่งก็เหมือนกันวิ่งแข่งกันแต่ใครกำลังใจมากกว่าถ้าคนไหนกำลังใจอ่อนหมดพลังอย่างเนี้ยแม้กระทั่งรายสวดมนต์รายสวดมนต์นี่อย่าไปคิดว่ามันใช้พลังเนี้ยเออใช้พลังพอหมดพลังก็สวดเสียงไม่ออกนี่ ทีนี้สมาธิการที่เราจะต้องรู้ว่าเอาเราเราได้พลังอย่างไรเนี่ยเรามานั่งที่เนี่ยสี่สิบวันห้าสิบวันเนี่ยมันอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องรู้ทีนี้เมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําให้เกิดขึ้นอย่างนี้เอตลอดไปเพราะว่าเหมือนกับเรารับประทานอาหารในเมื่อ เราต้องการอยากให้มีชีวิตเราก็ต้องรับประทานอาหารเมื่อเราต้องการอยากจะได้สมาธิพลังกิตเราก็ต้องมีสมาธิให้ไปตลอดตลอดไปเรเจ้าจึงได้เอว่าเราเอาแต่พอดีเราอย่าไปทำให้มันมากจนเกินไปทามากจนเกินไปนี่ไม่ไหวเดี๋ยวมันก็เบื่อนะสมาธิเนี่ยพราฉะนั้นที่หลวงพ่อพาทำเนี่ย สามสิบนาทีเนี่ยมันไม่เบานะมันเยอะแล้วบางคนบอกว่าทํำไมมันน้อยนะเอยดี๋ยวหลมก็เอาจริงเาก็จะแย่อันที่จริงเนี่ยสาสิบนาทีได้ก็ถือว่าบุญหูแล้วพอสมควรไม่ต้องมากไปกว่านี้หรอกเท่านี้ก็ได้เยอะเพราะว่าเหมือนกับถังของเราอย่างเนี้ยถังกไม่แค่นี้ถ้าตักน้ำใสมันเต็มถังตักใสอีกมันจะเท่าเก่าอ่ะ เมื่อจะใส่มากกว่านั้นมันก็ล่นทิ้งไปซะเมื่อมันล่นทิ้งไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้อ่ะเจ็บเปล่าน้ำลงอีกเปล่าดัง<ม>นั้นสมาธิกก็เหมือนกันเราทํากันว่าพอดีๆใช้ได้ไม่ถึงคึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีถึงวันดีที่สุดไม่ได้ว่าอะไรกันเราคิดว่าเรานั่งสิบห้านาที มันจะสู้เ้านั่งจนมองหนึงไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นั่งสิบห้านาทีก็ได้เหมือนกันแต่เขานั่งจมงนั้นอ่ะสามวันก็จะนั่งทีนึ่งแล้วที่เรานั่งสิบห้านาทีต้อก็นั่งไปเรื่อยเรย้อก็ได้มากกว่าอยู่ดีอ่ะเป็นอย่างงั้นแล้วบางคนแหมอุยเอาเจ็วันเจ็ดคืนอำให้มันตายเลยแหมอย่างเงี้ยมันก็เท่านั้นแหละอ่าแล้วลที่สุดมามันก็เหนื่อยลอย้าแต่ว่าเราทําไปเรื่อยๆ ให้มากเท่าไห่เนี่ยมันดีกว่าเอาละทีนี้ข้อที่ห้าต่อไป <c oughs> ข้อที่ห้าปัญญาความรู้รอบเป็นสิ่งที่ควบคุมแนะนำสั่งสอนตนเองอยู่เสมอด้วยความเข้าใจเป็นอันดีในการกระทำปัญญาหมายถึงความเข้าใจต่อเหตุผลนานัประการ ที่ตัวมันต่างๆจะระดังกันเข้ามาเพื่อให้เกิดการแตกแยกหรือว่าแยกทางห่างเหินจากสมาธิตลอดถึงปัญญาที่ได้รับการอบรมจากสมาธิจนเกิดความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าความเข้าใจผิดให้กลับมาเป็นความเข้าใจถูกพร้อมกับการรอบรู้พิเศษนอกเหนือจากความรู้ที่จดจา เกิดปัญญาหมายถึงอย่างรู้สิ่งที่จะเป็นภัยอันตรายต่อตนและบุคคลผู้อื่นคือ ป, ปัญญานี่เราจะต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเรื่องจากมานที่มันจะมาต่อสู้เรานี่มันจะถ้าหากว่าเราไม่มาทาสมาธิมันไม่มานะแต่พอมาทำสมาธิมันมันตามหลังเรามาถ้าใครไม่เชื่อก็ลองสอบสวนตัวเองดูก็ได้ อ่าทำไมมันตามหลังเรามาเรากําลังมาเนี่ยเฮ้ยอย่าไปกลับดีกว่าอย่างเงี้ยมันจะติดหลังเราอยู่เรื่อยอ่าแต่เดี๋ยวก็ใครบอกว่าปวดหัวซะหน่อยไปบอกหลวงพ่อว่างานปวดหัวหน่อย <c oughs> มาไม่ได้คี่แท้จริงอะปวดหัวไม่มากเท่าไหร่หรอกอ่านี่ยคือมัมันมีเยอะไม่ใช่ว่าแต่นักศึกษาเรานี่นะหลวงพ่อก็โดนมาแล้วอ่าก็โดนมาอย่างจ้าหนัก สารพัดที่จะโดนเพราะฉะนั้นลองข้ออาจษฐานได้มีความตั้งใจอย่างเหนียวแน่นแอดเราจะบวดเราก็รับรองมาจากตาพระขาวแล้วอบอกว่าเจ้าที่ชีวิตนี้ให้แกพุทธศาสนาทั้งสิ้นน้อยแน่จะมาคิดกลับใจซะนี่ว่าอย่างนั้นอตอนนั้นมันยังก็เรีย ก, กว่าหนุ่มน้อย อ, อายุประมาณสักสิบเจ็ปีอย่างเงี้ย ตอนนั้น่ะมันก็คิดกังวลเดี๋ยวก็นั่งสมาธิผ่านั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แก่งเป็นเมื่อยซะนอนหลับไปอ่ารู้ขึ้นมาอาจารย์ถามว่านั่งไหมก็นั่งถามนั่งไหมก็นั่งแต่นั่งพอเป็นวิธีหายใจสามทีก็เลิกแล้วอย่างนี้อาจารย์ก็ถามว่านั่งไม่นั่งอาจารย์ก็นั่งก็นั่งมึงเยอะจะแน่แล้วทีนี้จิตใจมันก็เลยเสียหายเกิดความเสียหายขึ้น แม้ความเสียหายจิตใจมันก็เกิดความกระวนกระวายพอเกิดความกระวนกระวายแล้วเอ๊ะนี่เราจะอยู่ไปทําไมสึก ด, ดีกว่าอ่าหาเที่ยวอะไรสารพัดที่มันจะคิดมันจะคิดขึ้นมาในสมองอันนี้อ่าเราแกเรนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องสู้กันอ่าหลวงพ่อแกเลยบอกว่านับตั้งแต่ ว, วันนี้เป็นต้นไปมึงไม่ตายกูตาย <c oughs> กูไม่ตายมึงต้องตายว่าถ้าใครได้ยินก็คงหัวเราะนั่งพูดเสียงดังอยู่ในกุฏิ่นเดียวมันไม่ตายกูตายอูไม่ตายมึงต้องตายนับตั้งแต่วันนี้ไปกูจะไม่นอนว่าจนกว่ากูจะชนะว่าก็ไปนั่นเพราะว่าแล้วก็เสียวหมดเลยที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอนไม่ได้แล้วโอ้ย่คหัวตดนเจ้า ตอกตอกตอกตัวไว้ถ uh, er. ้าส oh, oh, oh, oh, oh. oh. <ims likewise homework> ับก็ส <toc> ับใส่ตะใส่ตะอูเลยในวันนัอ่ะพอไปยี่ปอกโอ้โหเข้ามาเนี่ยสับแน่แล้วมันก็ต้องฟอกอยู่เนี้ยจนกรทั่งหัวบี้หมดเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้นอนตั้ง3ปี 17, 18, 19หลวงพ่อไม่ได้นอนว่างั้นพ่อต่อสู้ถ้าคืนน้องแม่ไหลเราก็แพ้ ยังไม่ชนะมันก็ต้องพอเวลาเดินไปบินขบาทถ้ายอมมาใส่บาตรช้าก็ยืนหลับเลยเน้เน้นๆนอ๋อใส่บาตถึงขนาดนี้ไม่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อได้สามปีแล้วเดินจงกรมวันนั้นเดินมันทั้งคืนเลยบางทีอย่างเงี้ยในที่สุดก็ชนะมันจนได้ อันนี้คือหมายความว่าอาทาอย่างนั้นน่ะอย่าไปทำเลยขอลอง <laughs> นักศึกษาอย่าไปทาอย่างนั้นนะอันนี้พูดไว้เฉยเอย่าไปเอแบบนี้ไม่ได้ เ, เพราะว่าหลวงพ่อไปถามหลวงปู่ ม, มั่นว่าผมไม่นอนสามปีนะ่ะผมแน่แค่ไหน อ, อีมันจะแน่อะไรนี่มันไม่ตายก็ดีแล้ว <laughs> และทีนี้ท่านจะมาสร้างให้ความพอดีให้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเพิ่มผลผิดคือทั้งห้าข้อนี้คือแนวทางนโยบายการเพิ่มสมาธิให้แก่ตนของตนได้อย่างสม่ำเสมอที่จะเป็นการรวบรวมเอาไว้ซึ่งธรรมะเศรษฐกิจเวลาเนี้ยเราทำโลกเศรษฐกิจ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวฟกนแต่ก็เช่นเดียวกันเวลานี้เราจะรวบรวมไว้ซึ่งธรรมเศรษฐกิจความจริงของสมาธินั้นคือบุคคลปฏิบัติหมายถึงการทำสมาธิก็จะเป็นการเพิ่มพลังจิตไปในตัวเพราะการทำสมาธิแต่ละครั้งนั้นเริ่มตั้งแต่วินาทีแห่งการบริกรรมจนกระทั่งจิตใจเข้าสู่ความสงบ แม้จะเป็นชั่วคู่ชั่ว ย, ยามไม่กี่นาทีนั่นคือการเพิ่มพลังสมาธิเพิ่มพลังของสมาธิหรือพลังจิตในส่วนตัวของคนทำสมาธินั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นักแต่ความจริงก็หนีความจริงไม่พ้นเหมือ น, นกับเราก้าวย่างเดินทางเมื่อเราเริ่มก้าวย่างเดินทางผลทางที่เราเดินไปย่อมได้ยาวลรกกไหลออกไปตามลำดับ เว้นจะเราหยุดเดินถ้าเราเดินไปเรื่อยๆไปก็จะต้องไม่หยุดอยู่กับที่แม่การทำสมาธิก็เช่นกันถ้าเราทำอย่างสม่าเสมอก็คือการเพิ่มพลังสมาธิอย่างสม่าเสมอนั่นเองเนี่นั่นอยู่ข้อท้ายเนี่พยายามอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีก เราก็จะได้เพิ่มพลังของเราทีนี้การเพิ่มพลังสมาธิเนี่ยมันก็ต้องมีระดับขัน้นเช่นอย่างระดับเวลาคนที่บวดเป็นพระอย่างเนี้ยมันก็มีระดับหนึ่งคนที่เราเป็นฆราวาสนักศึกษาเนี่ยมันก็เป็นระดับหนึ่งอย่างข้าเนี่ยมันไปทําขัดขั้นตอนไม่ได้เพราะว่ามันมีขั้นตอนสําคัญอยู่มีวิยัยมีผ้าเหลือง ถ้ากาสาวพัฒมีสิ่งต่างๆที่จะต้องครอบครองควบคุมเพราะฉะนั้นต้องยกฐานะระดับจิตขึ้นมาระดับหนึ่งความสม่ำเสมอแต่ทางฝ่ายฆราวาสนี่การดำเนินอย่างสม่ำเสมอก็ไปอีกระดับหนึ่งเ้าเรียกว่าระดับที่เดินไปตามปกติเหมือนกันกันกบ การเดินเหมือนกันการเดินเท้าการเดินอะไรต่างๆเหล่านี้ะระดับคนระดับหนึ่งจะต้องเดินอีกระดับหนึ่งก็ต้องเดินแต่ว่าการเดินคนร ะ, ระดับนั้นในที่สุดมันไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามสำหรับพระอกสุดสามนเน์ที่อยู่หวยเป็นพระเนี่ยจาเป็นต้องเดินอีกระดับนึงน ถ้าหาพ่าเดินต่ำํำลงไปแล้วเนี่ยเออก็ต้องตอกเขียว <c oughs> ตอกเขียวไปกับลากันว่าไงคําว่าตอกเขียวก็คือราศิขาราศิขาก็คือการศึกการศึกนั่นก็คือหมายความว่าลดระดับการเดินจะเดินชั้นนี้เดินไม่ได้แล้วกลับมาเดินอีกชั้นไหนึ่งจะเรียกว่าต่ําลงไปเพราะฉะนั้นการเดินระหว่างพระภิกษุ สามเนก็การเดินกลางเทววัตรเดินคนละคนละระดับกันนั้นมีการกำหนดหรือมีการลิมิตอ่ากำหนดนะอะมีการกำหนดอ่าผูดมากไปหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะรอนะว่ายังไงก็พยายามเต็มที่หลวงพ่อพยายามเต็มที่มีอะไรก็เปิดหมดก็ ไม่เคยเปิดมากเท่านี้อ่ะให้คณะทราวาตฟังครานี้ก็เปิดกันเต็มที่จริงๆนั่นยังไม่ใช่พูดอ่อก็ถือว่าเปิดโอกาสให้พระถ้าได้ถามปัญหาก็เดี๋ยวก็จะถามว่าแหน่เห็นพระเป็นอะไรไปไม่ให้ถามปัญหาเลย ยอมก็คงจะอภัยให้นะการทั้งก็ถามบางองค์ก็ไม่อยากถามก็ตามอัธยาศัยกันแล้วกันอ่าโดยรู้สึกว่าพระก็หายหายไปเยอะนะเนี่ยน่ากลัวจะลดระดับต่ำลงด้วยใงนไม่ร้อ่าเริ่มตั้งแต่พระจิระยุทธ จะได้หยุดขอาการพระเดชพรกคกุณหลวงพ่อความรู้ที่ได้จากปัญญาลมจะแต่ต่างกับความรู้ที่ได้จากปัญญามากเพราะว่าความรู้ที่ได้จากปัญญาจะมีความอารอบครอบและบริสุทธิ์กว่าข้าวของอยางเรียนถามว่ า, าเราจะต้องทำสมาธิถึงท่านไหนถึงจะได้ความรู้ที่ได้จากปัญญาครับเอ มันตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นเป็นสมาธิมันก็เกิดปัญญาแล้วปัญญาเนี่ยนั่นไม่หมายถึงว่านี่ปัญญานั่นจะต้องไปเป็นวิปัสนาอย่างเดียวเพราะว่ า, าการจะให้เกิดปัญญาได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีตัวการตรองในขณะที่คนไม่มีสมาธิ มันจะไม่มีตัวกันตรองเมื่อไม่มีตัวกันตรองแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญญาแบบที่ว่าได้รับประโยชน์น้อยส่วนผู้ที่มีสมาธิเป็นเครื่องกันตรองแล้วปัญญาก็จะเริ่มดีขึ้นและค่อยบริสุทธิ์ขึ้นตามลําดับาการบริสุทธิ์ของปัญญานั้น จำเป็นที่จะต้องกันกรองไปเป็นขั้นเป็นตอน <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ต่อไปก็ยมันมพระทาราอภิธโนก <c oughs> ราบแลวว่าอาจารย์หงพอ่อเราจะมีวิธีการอะไรที่จะแนะนำญาติของเราให้สนใจในการปฏิบัติทางสมาธิโดยง่ายครับ ทำวิธีไหนถึงจะทำแนะนำญาติให้มาทำสมาธิอย่างง่ายๆนี่ก็คิดถึงยากิเหมือนกันแสดงว่าใจก็ยังกว้างอยู่แนะนำก็บอกเขาว่าถ้าคุณอยากได้ความสุขยิ่งกว่าคุณที่ได้รับอยู่ในขณะนี้มาทำสมาธิก็อตาตมาสิ <c oughs> บอกว่าความสุดที่ได้จากสมาธินั้นมันมีมากสามารถที่จะทำให้เกิดคุณความดีอะไรต่างๆเยอะแยะในสมาธินั้นอ่านอิมมอร์ตรันนั่นจะเด็การรู้กา it, รนั่งการพูดเสร็จมีคำถามที่จะถามเกี่ยวกับสมาธิการนัศารุ่ง บุ<ค>รตรไกลๆหน่อยสมาธิ ก, าธกับการรักษาโรครับหลายครั้งหม อ, มอไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาโรคได้เรื่องสมาธินี้ช่วยได้เราจะมีวิธีการยังไงที่จะรักษาสมาธิรักษาโรคเกี่ยวกับการใช้สมาธิได้ครับผมอเรื่องของการรักษาโรคของสมาธินั้น สามารถที่จะทําได้เมื่อบุคคลทำสมาธิเพื่อพู่นพลังจิตให้มากขึ้นเพราะการรักษาโรคนั้นจะรักษาไปจากพลังจิตเมื่อมีพลังจิตแล้วพลังจิตนี้จะแพ่ออกจากจิตของเราเนี่ยไปสู่ผู้ป่วยเช่นอย่างเราจะรักษาโรคตั้งแต่ เอวขึ้นไปถึงสีสะัะเราใช้สีเขียวถ้าจากในบ้านเอวลงไปถึงปลายเท้าเราใช้สีแดงแต่สีนั้นจะต้องเกิดจากพลังจิตเช่นอย่างเราจ ะ, จะกำหนดพลังจิตนี้ให้เป็นสีสันขึ้นมานี่ก็จะต้องผสมสีืดอตามธรรมดานั้น กร แ, แสจิตมันจะเป็นสีขาวอยู่ตามปกติแต่ถ้าเมืเป็นสีขาวตามปกตินั้นเอาไปรักษาก็ยังไม่ได้ผลเต็มที่แต่ถ้าผสมสีลงไปแล้วมันจะเกิดพลังเพิ่มขึ้นตามธรรมดานั้นถ้าเรากำหนดให้เป็นสีขึ้นมานี่มันจะเป็นสีไม่ได้ มีจิตมีพลังแล้วมันจะเป็นสีขึ้นมาได้ก็แสดงว่ามีพลังขึ้นถ้าหาขวาก็จะเป็นเจนตุทตหหัวสมองเราก็เอาสีเขียวเนี่ยเข้าไปเจอิในสมองของบุคคลคนนั้นถ้าหากวามีพลังจิตจริงไงสามค้ามก็หาย <laughs> อาการนี้ก่อนกนแล้วกันจะพูดว่าเพื่อนยมจะทำกันใหญ่ให้ติดติดทราบว่ามีมีพลังอีกพลังหนึ่งเรียกว่าพลังโยเลของอาเมตัยที่กำลังรักษาอยู่ในปัจจุบันนะครับเอารักษากันยังไงครับคุณ อ, อันนี้เราไม่รู้เขานะเราไม่ได้ก้าไกลเขาจะทํายังไงกับเรื่องของเขาไปกันแล้วกัน เขาทำได้ผลเขาก็คงจะทำไปตามเรื่อง<ด>เหมือนกับหมออย่างนี้การให้ยาก็หมอแต่และคนเขาก็ต้องมีวิธีการของเขาต่อไปขอมนเรประชันที่กุลจะทิคุณเออเป็นขอกาสเสด็จพระคุณหลวงพ่อครับผมอยากจะถามว่าเอกัดข้ตาจิต กับเอกกั ต, ตารมเหมือนกันหรือไม่ครับผมเอกะกัตตาจิตก็คือเอกก ต, ตารมคืออย่างนี้วา่าเวลาบริกรรมพุทโธผู้ที่บริกรรมพุทโธนั้นก็คือจิตเวลาเป็นพุทโธขึ้นมาอย่างนี้การบริกรรมนั้นก็คือสิ่งที่นึกออกไปเพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลทําเป็นเอกคตารม์ได้ในขณะเดียวกันก็เป็นเอกคตาจิตไปพร้อมกันเพราะว่าจิตนั้นน่ะมันเป็นเอกะอยู่แล้วอยู่ตั้งเดิมแล้วแต่เมื่อเวลาที่จิตนั้นต้องคิดไปที่อื่นที่อื่นมันไม่เป็นเอกคตารม์จะพอบริกรรมพุทโธ ไม่นึกไปทางอื่นจิตก็อยู่ที่พุทโธเรียกว่าเอกคตารมแต่ว่าจิตนันเป็นพูดเป็นเอกคตารมอภัคุณครับผมก็ต่อไปก็เป็นพระมิตรนิติมัตโตโอกาสหลวงพ่อครับผมผมมีข้อคำถามที่อยากจะให้หลวงพ่อช่วยแก้ปัญหาให้รผมจะภาวนาอย่างไรถึงจะ จิตถึงจะไม่เข้าพวังง่ายครับผมจิตที่มันจะเข้าพวังง่ายง้ามันไม่ได้เพราะว่าเมื่อเวลาที่มันย่อย่อย่อย่อเขาถึงจุดแล้วเนี่ยมันจะเข้าลูกเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อเราพยายามที่จะตั้งสติเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเข้าพวังง่ายก็พยายามที่จะ บริกรรมถ้าหากว่ามันจะเข้าพวังก็บริกรรมเอาไว้แต่ทีนี้เราพอบริกรรมไปแล้วทีนี้เราก็จะกำหนดจิตเพื่อให้มันละเอียดมันก็จะเตรียมเข้าพวังเพราะฉะนั้นจึงให้ใช้คำบริกรรมไว้ให้มากเพราะมันจะเข้าคิดว่าเรายั้งมันไม่อยู่ก็ลืมตาซะแล้วหลับตาใหม่ดำเนินการไปเนื่องจากว่า เมื่อเราทำจิตให้สงบอยู่ได้นานมันจะได้พลังเยอะพอเข้าเวาวางไปแล้วก็ไอ้พลังจิตก็ได้น้อยไปเราก็รบายเนี่ยนวลพระวันนะฉันปัญญาวัดวุฒิภูาิรับายน้ำสการพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเต่ผมอยากจะให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อ อธิบายเอสติปัฏฐานสี่ให้ทราบเบอร์ครับผมเนี่ยเป็นข้าก็ชอบอย่างเงี้ส <c oughs> ติปัฏฐานสีอินเทียงพละห้าบทชงเจตอันนี้มันนักธรรมอ่ <c oughs> าเราต้องไปเรียนนักธรรมหรอะสติปัฏฐานก็นคือการพิจารณากายเวลาเข้าสมาธิ เราก็เอากายของเราเนี่มาเจรไนเขาว่าอันนี้คือแขนขาเนื้อหนังเลือดเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นเขาเรียกว่ากายยาโนบสนาสติมังค่าอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่อยากแออธิบายมากนะอันนี้อันนี้มันควรจะได้อธิบายเป็นการสุตัวมากกว่านนเวลาถามก็หมดแล้วยนะ ทนี้ขอน้าทุษาก็ว่าทักหนึ่งคนที่รักพุทธสมบัติกาตามสกนของพ่ออ่าผมมีคำถามมีสองคาถามฮะซึ่งอ่าอยากจะถามพ่อนะฮะประเด็นคาถามแรกนี่ขอเท้าความนิดหน่อยคือเมื่อสิบอายุประมาณสิบแอ็ดสิบสองขวบสิบได้เคยบทนี้ เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็พอดีตอนนั้นเนี่ยมีพระที่ดองรูปหนึ่งมาด่าที่เมรุก็มาจำวัดอยู่แต่ก็มาสอนพราว่าปฏิบัติธรรมสิทธเห็นดังนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะปฏิบัติธรรมด้วยก็เลยไปจุดนั่สมาธิกับท่านตอนนั้นสิทธิกำหนดพรอยุคหลังจากบวชได้เจ็ดเดือนสิทธก็รู้สึกดังนั้นสิทธิจำวัดอยู่ที่กุฏิใหญ่ของเจ้าว่าและสิทก็รู้สึกเบื่อน่าน ก็เลยหอบมุ่งลงมานอนต้ต้นไม้กาจารตอนนั้นนะสิทบวชได้สามเดือนอ้าสามอาทิตย์จึงก็นั่งสมาธิเห็นมิมิททั้งแรกก็เป็นอ่ดวงไฟกลมสีนวล น, นวลคืนต่อมาสิทธก็เห็นตัวสิทธิ์เองในในทุดหนือนั้ น, ใ น, ใ, น, ใ, น, น, นในท่านัสมาธิลอยได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าสิทธิ์ลอยได้มีความรสว่าตัวเภา หลังจากนั่งสมาธิอย่างนี้สองครั้งจิตไดเกิดความรู้สึกว่าอทุกครั้งที่ได้ได้ยินบทสดวดทาวัดเนี่ยรู้สึกมีความสุขจับจิตแล้วต้องความรู้สึกว่าตอนนั้นไม่อยากสึกอยากจะทิ้งกรรมการไปเลยอนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสิ่งแปล ก, ปลกซึ่งเป็นลักษณะคล้ายกับปาฏิหารเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เห็น ก็คือมีเนรูปหนึ่งไปโดนรถเหินใจแล้วก็ฐานรวมเดินเป็นเสียหาสิทธิแล้วก็มาถามหายาเดินสิทธ์นม่มยาอะไรเลยนอกจากอ่าน้ามันมะพร้าวขวดหนึ่งซึ่งสิทธิแล ะ, ะาลภาษากรอกใส่ขวดสําหรับที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะไปทําพิธีเที่ยงคืนนะแต่ว่าอันนั้นยังไม่ผ่านพิธีสิทธก็เลยถามเนรว่าศรัทธาหรือเปล่าโดยที่มีความรู้สึกวเหมือนกับไม่ใช่ตัวของตัวเอง แต่พูไปแล้วก็คิดไอย่างนั้นแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วก็เอาน้ำมันทาไปที่ขาเนร์วันรุ่งขึ้นเนร์นก็สามารถวิ่งได้โดยที่ขาหายตวมแล้วก็หายปวดนล้วอย่างนั้นก็มีสิ่งแปลกเกิดขึ้นอีกหลายอย่างซึ่งซึ่งเกิดขึ้นอันนี้คําถามสิทธิก็คือไม่ทราบว่าทําไมสถึงทําอย่างนั้นได้ การที่นั่งสมาธิเห็นจเพียงมีตเพีย ง, ง, งสองครั้งเมี่มยทำไมสามารถให้ทําอะไรแปลกๆนั้นได้เรนนี้คือว่าในสมัยหนะึ่งอันนี้ตักพดทธะไปถึง เ, เด็กด้วยกันนะเด็กใกล้กันที่เป็นเด็กด้วยกันตนะั้งแต่สมัยรุ่นพอกันเป็นเด็กนี้กันคะนั้นมันเอามีดมาควัน วันมันก็เข้านะมองเห็นเข้าถือเลือดก็ออกไอคนนั้นไม้มาถึงโอ้ยิคคาถ า, า, ถาแล้วคาถามาถือป้านทีเดียวเลือกก็หยุดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นเลือกหนึ่งที่เราคาดกันไ์ใ้ถึงเขาเรีย ก, กว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นถ้าหากว่ามีใครไปสนับสนุนเข้าเรื่องมันจะ ก, กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นคนคนนั้นอาจจะเสียสติไปเช่นอย่างคนที่มาอาทําเลืองของหลวงพ่อเอหายหายไปในขณะนั้นมีคนหนึ่ง มาสนามสนุนว่าโ อ, อา้จะเป็นเจ้าองค์ไหนบาเขา้าแก่มันพนเก่งอย่างนี้มันก็จะไปกันใหญ่แต่ยังไรก็ตามใน เ, เรื่องของแร่ซิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่มันก็อาจจะเกิดเป็นาวารั้งคางคราวจะทำฉีก็ไม่ได้ บางทีก็หายบางทีก็ไม่หายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่เกิดเป็นสมาธินั้นดีแล้วเพราะว่าเป็นปัจจัยมาจนกระทั่งถในปัจจุบันนี้จะทําให้มีความสนใจเรื่องสมาธิและเรื่องสมาธินั้นข อ, อยืนยันว่าเราทําเพื่อไม่เกิดทลันจิตเพื่อผูก ส่วนที่นอกเหนือไปจากนี้ก็ถือว่าแอบเป็นเรื่องลองในใจเป็นเรื่องแต่ที่จุดหมายของการทําสมาธิจริงๆก็ตอได้แบบนี้ทีนี้ไม่ทราบว่าก า, การที่ได้พลังจิตหรือสมาธินี้ไม่ทราบว่าจะจะยังคงอยู่กับเศษรษฐีอ่าหรือว่า จะจะหายไปไหมเพราะว่าสิ่นีศศม้มันจะมาเป็นพลังจิตในการสลายตัวเมื่อพลังจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วอในการทําสมาธินี่จะไม่มีการสลายตัวแต่พลังจิตบางส่วนนี่มันจะต้องสลายตัวไปสลายตัวเป็นบางส่วนแต่ส่วนลึกจะไม่สลายตัวอย่างที่ สมาธิที่เราทํากันอยู่ในวันนี้รูป 60% จะยังปรากฏอยู่ในจองเราตลอดทั้งชาตินีชาติต่อไปส่วน 40% นั้นมันมีการสลายตัวได้อย่างที่คุณปรากฏเช่นนี้ก็น่าจะเป็นพลังจิตที่เหลือเศษมาจากอดีตชาติก็ได้เอาละพวันนี้จบคุณมสึกนึง All right.